วันนี้เรามาถึงโซลาร์อะซูมาร์ซุมาร์แปลว่าอะไรอแปลว่ากลุ่มชนหรือพวกเพราะว่าในในไซโซลอนี้เนี่ยอยู่ตอนตอนท้ายๆของโซลอนี่มันคำว่าซูมาร์หมายถึงกลุ่มชนมีสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยอัลลอฮ์จะต้อนต้อนลงสูาลาร์ลองนึกซิกลุ่มไหนกลุ่นที่ทรยศ ต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์ส่วนกลุ่มที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเช่นกลุ่มบรรดาอบีทั้งหมดจะมีเป็นแสนๆคนนะและผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีกทั่วโลกเท่าไรเนะี่ยอัลลอฮ์จะเชิญคลมเหล่านี้เข้าสู่สวนสวรรค์ของ Allah, อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลนะครับ <c oughs> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนมาถึงไหนอะ <c oughs> ถึงอายะที่สามสิบสาม อันให้ฟังนิดหนึ่งผพ้จะต่ออายานีวน้วันนี้วันใดจะอับสิดก์ وصدق به أولئك هم المتقون <c oughs> ดูคำแปลก่อนะส่วนบันดา ส่วนผู้ที่นำความจริงมา <c oughs> นําความจริงมาหรือมันนำอะไรมาครับนำอัลกุราอาน <c oughs> คือความกุรอานคือความจริงอุลมะหลายท่านอธิบายบอกว่ามีอย่าหมดเนีย่ยสี่รายการหนึ่งนำ อ, อัลลอฮะอิลอลัลลอฮ์ามาสอน หนึ่งนำเอาอะไรนะเอากุรานสองนำเอาประโยคนี้เล่าอีหละอีหละลองมาสอนคนนะครับอันที่สามสอนเรื่องความเชื่อตายล้วฟื้นอัลบบส่วไม่ใช่ตายแล้วตายเลยไม่ใช่ตายเราฟื้นนี่มันขัดกับความรู้สึกของคนในโลกนี่นะใส่เลยไม่ใช่ โอ้โหหนึ่งสอนว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเลออิลอลัฮิลลอฮสอนว่าอัลกุรอานมีมาจากอัลลอฮ์นะครับข้อที่สามเนี่ยสอนว่าตายเราฟื้นข้อที่สี่ฟื้นแล้วเนี่ยไปรอรับรางวัลเรียกว่าอัลจาจาอ่ารอรับรางวัลหลังตายเนี่ยสี่ประการเนี่ยเป็นความจริงอ่า <c oughs> เป็นเรื่องจริงครับ หนึ่งอัลลอฮ์มีองค์เดียวเป็นเรื่องจริงสองคุรานเนี่ยอยู่อยู่ไปจนกว่าถึงวันกิยามะพาะหนังสือคำพี์เล่มอื่นๆถูกสังคยนานหมดแล้วโดยมือมนุษย์ <c oughs> มีหลายกลุ่มต้องการจะทำลายคุรานแต่ทำลายไม่สำเร็จเพราะอัลลอฮ์พูดในตบที่คุรานบอกว่าวะอินนาลาอูลหฮาฟิซูลเราจะรักษาคุรานไว้เอง พยายามครับมนุษย์พยายามนะครับยิงตอริบานชนะอย่างนี้นะประเทศอาวานิชานี่มันอยากจะฆ่ามุสลิมแล้วก็มันเสียหน้าเข้าไปยึดตั้งกี่ปีล่ะย0สปีรู้ไหมยึดเอาอะไรเอาแร่อาลแค่นี้พออันการเมืองอแคนีพอตลงว่าใครที่ยึดว่ายึดความจริงนะ 1. Mm hmm. 1> ลยอิละฮะอิลลอสองความจริงคืออัลกุรอานสามความจริงก็คือ ตายแล้วฟื้นความจริงอีกค้อหนึ่งฟื้นแล้วมารอรับรางวัลสาหรับคนชั่วก็รับรางวัลชั่วไปคนดีรับรางวัลดีเขาเรียกว่าอัศจรรย์วันใดจะเอาไปว่าสดกอบฮีและผู้ที่ได้ยืนยันว่าเป็นความจริงผู้ที่ยืนยันมีมีกี่กลุ่มนะ ให้ัพซีดอธิบายว่มีอยู่ประมาณห้ากลุ่มกลุ่มไหนหนึ่งรสูนรสูนของอัลลอ์เนี่ยยืนยันว่ากุรอานนี่เป็นเรื่องจริงอัลลอ์มีจริงแล้วก็อัลบาสุการฟื้นคืนชีพหลังตายเป็นเรื่องจริงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์หลังหลังจะฟื้นแล้วนะกลุ่มไหนหนึ่งบรรดารสูนทั้งหมดที่มาถ้าในยุคนี้คนนบีมุฮัมมัดยืนยันข้อที่สองใครครับ บรรดาซอฮาบ้างนบีเริ่มต้นด้วยใครก่อนท่านอบดุบักร่อนนะอะท่านไซนาวม์มาซอฮาบ้านาบีทั้งหมดที่ทำที่เชื่อานาบีนะเขาเรียกว่าคนที่ยืนยันเรื่องความจริงเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องจริงข้อที่สามกลุ่มที่สามบรรดามุสสัตยาทั้งหมดทั้งโลกเลยที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์องเดียวศรัทธาต่อกุรานศรัทธาวาตายแล้วฟื้นศรัทธา ว่ามีรับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์กลุ่มไหนกลุ่มผู้ศรัทธาต่อบรับทั้งหมดเลยนะที่สามกลุ่มแล้วนะกลุ่มที่สคนที่ปฏิบัติตามนาบีทั้งหมดในยุคก่อนๆนั้นด้วยอย่างยุคก่อนเนี่ยคนที่ตามนาบีมูซามีไหมมีตามนาบีอิบราฮิมมีไหมมี รวมพวกเราวันนี้ตามอดีมูฮัมหมัดและคนที่ตามนบีในยุคคนก่อนเนี่ยนี่กลุ่มจะไหนนะกลุ่มที่สี่กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มทีมห้าก็คือเขาเอ๋อร์เอเลยนะไซนาลีอ่ากลุ่มทีมซาวาบันคุมหมดแล้วนะแต่เขาอธิบายต่อมีอบูบากาอุมัดอุสมานอาลีนะครับเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าคนที่ยืนยัน ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวจริงกุนหานเป็นเรื่องจริงตายเฟื่องจริงมรีรับรับราบรับตอบแทนต่อรอบเป็นจริงทั้งหมดได้อะไรอ่าคนที่ยืนยันแบบนี้นะได้อะไรยืนยันว่านาบีม u h a ม m a d เนี่ยสอนศาสนาจริงมีสุนาร์ของท่านนาบีจริงได้อะไรอาทิตย์ที่แล้วนี่นะอุลาอิกะหุมุลมุต ตะกูนี่รางวัลข้อที่หนึ่งที่อลัลลอฮ์มอบให้กับคนที่เชื่อว่าเชื่อกูอ่านเชื่ออลัลลอฮ์เชื่อรอซูลเชื่อวันกิยามักเชื่อว่าตายแล้วฟื้นฟู้นแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์เนี่ยข้อที่หนึ่งอลัลลอฮ์ชมว่าไงนะอัลมุตตะกูเป็นคนที่สำรวมตนจากความชั่วใช่มนี่เรื่องที่หนึ่งสบายใจไหม อ๋อท่านเรายืนหยัดในความจริงไม่ต้องไปเสียใจเลยถึงจะมีจนไปหน่อยไม่มีปัญหาครับข้อที่หนึ่งเป็นอะไรมุตตะกูนเป็นคนที่มีตักว่าเรื่องที่สอง <c oughs> อายานีวันนี้ลาบุมมายาเซหูนัยน์ดาโรบีหิม ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ย่อที่สามสิี่นรางวร์เรื่องที่สองสำหรับคนที่เชื่อกูนันเชื่ออัลลอฮ เชื่อว่าตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วได้รับรางวาัลตอบแทนจากเรารางวัลที่สองอะไรครับละหุมสำหรับพวกเขามายาชาอุนที่พวกเขาต้องการสำหรับพวกเขาสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดสิ่งที่เขาอยากได้ทั้งหมดได้ไหรือไม่ได้ได้ครับอยู่ที่ไหนครับ อินดรบบิหิมนพระผู้อภิบาลของพวกเขาคนมุตเมนอยู่บนดุงยาเนี่ยอยากได้หลายอย่างแต่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> คนกาแฟได้ทุกเรื่องใช่หรือไม่ใช่แต่มุตเมนได้ไหมไม่ได้อยากจะนอนตอนสุบเนี่ยนอนได้ไหมไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานมาด ต่อมาฟังตับซีดโอ้ถาว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยครับหญิงวันอาทิตย์โอ้โหฉันต้องการจะพักพออยู่กับภรรยาที่รักทำไม่ได้เห็นไหมต้องฟื้นอารมณ์หมดเลยพอตามกุนอ่านตามนาบีเชื่อว่าตายเราฟื้นฟื้นแล้วมีรางวัลไอ้สีข้าข้อนี่ห น, นักหน้าแต่ท้าไม่เชื่อว่ามีรางวัลนี่ชาวอัลกุรานม <c oughs> ผมก็ไม่สอนตับซีดนะ สอนแล้วมันได้อะไรล่ะนี่งานรางวัลที่เลาจะให้มิโตมุตซี่อย่างนะอย่างที่หนึ่งอัลมุตตะกูลอยายะที่สาสิบสามอายะที่สสิบสีแล้วฮุมยาชาอูนสำหรับพวกเขาณนะพระผู้อภิบาลของพวกเขามีที่พวกเขาต้องการสบายใจามากไปนอง ต้องการอะไรได้เลย <c oughs> นึกภาพสิอยู่ที่ไหนต้องอยู่ไหนสวนสวรรค์ว่าทำดูดูแลเอาเรื่องที่สามเรื่องเรื่องเรื่อ ง, องที่สามยังไม่มีจาริกาญาจ a ul-muhsini ีนี่อัลลอฮ์ชมอีกนะนี่คือญา จ, ะจะัลแปลว่าตอบแทนการตอบแทนอัลมุฮซินี บวงผู้ทำความดีใช่ไหคนที่เชื่อว่าล่อมีองค์เดียวคนที่ทำความดีคนที่เดินตามอบิดมุฮัมมัดคนนี้เป็นคนทำความดีคนที่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นคนนี้เป็นคนทำความเรียกว่าคิดดีแล้คนที่เชื่อว่ามีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นเป็นคนมุอาสีนีเป็นคนดีอันแรกมุตตะตีนใช่ไหมมุตตะกูอันที่สองได้สิ่งที่คุณต้องการส า, าได้ชมอีกข้อหนึ่ง มัวสินคนนี้เป็นคนถามความดีเอามาข้อที่อสบาใจกับข้อที่สลียวกาฟีรลวันุมอลลอฮฺอัลฮฺออัลลออัลลอฮอัลลลลอฮฺอัลลอฮฮฺออฮฺออฮฺอัล أ س ا ن الذي كانوا يعملون ل ي ُ ك ف ر ا ل ل ه ع ن ه م ْ أ س و أ ا ل ذ ِ ي ع م ل و ا و ي ج ز ي ه م ْ أ ج ر ه م ب ِ أ ح س ن ا ل ذ ِ ي ك ا ن و ا ي ع م ل و ن สเรื่องผ่านไปแล้วนะหนึ่งมุตตนะคูณไม่เอารอชมนะคุณเป็นคนมุตตะคูณหรือมุตตะตีนสองคุณจะได้สิ่งที่คุณอยากทั้งหมดอันที่สามคุณเป็นมัชชินีเป็นคนดีเรื่องที่สี่อยู่กับฝรุร่นประวัลจะร่ำล่าประวัลร่ำ ล, ล่าเนี่ของดีนะคนที่อยู่ในคุกนะ ต้องการอะไรใจะให้ออกจากคุกต้องลบล้างความผิดใช่ไหมอภัยโทษอัลลอ์และในหลวงวันเกิดในหลวงที่อัลลอ์ทุกคนที่ใจเ <c oughs> นี่ก็เหมือนกันครับคนที่อยู่กับอิสลามอยู่กับอัลลอ์อยู่กับมุสลิเชื่อวันอาคืรอตายแล้วฟืน้นแล้วก็มีนึกว่ามีรางวัลแน่นอนนะคอที่หนึ่งอัลลอฮเป็นชมว่าเป็นเปนมุตตีนสองคุณจะได้ งที่คุณอยากได้เพทีส่สามคนเป็นมุอสินคนทำความดีคนทำความดีมดอธิบายอย่างนี้ยืนนมาศเหมือนกับเราเห็นอัลล์แต่ถ้าเราไม่เห็นอัลลอ์ใจเราต้องนึกว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเรานั่นือมุอาสินคนทำความดีอันตาบุลลอฮะกัอั น, นกาตาราหูฟาอิลลำตะกุนตาราหูฟาอิล น, นาหูยาลากะเห็นไหม เนี่ยมันเรื่องอีกเรื่องอยู่ในอิ ส, า ส, าอสลามเลยยืนนมาดนะี่ยืนอยู่คนเดียวนะ่ะที่มัสยิดเนี่ยยืนนมาโุนาตเนี่ ย, ย, ยใจมานึกน Allah เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเราเห็นอัลลอฮ์ถ้าเราไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ต้องนึกนึกต่ออัลลอฮ์เห็นเราเหมือนคนงานนะั่นแหละถ้ามีเจ้านายมาเยือนคุมทําดีนะทําเรียบร้อย วเ จ, จ้านายมีอยู่ซ้ายขวากลเบี้ยวก็นิสายคนมันแบบนี้แหละเอาตัวลงบาคนที่เชื่อกรุงราน<ม>เชื่ออัลลอ์มีองค์เดียวเชื่อว่าตายแล้วฟืน้นนะเราฟื้นแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่นะ Allah, รรอัลลอฮ์ให้อะไรรู้ไหมให้สี่อย่างนะข้อที่หนึ่งเป็นมุตตะกูลเรื่องที่สองคุณจะได้รางวัลว่าใช่คุณจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ทุกรายการ ข้อที่3อัลลอฮ์วมว่าเป็นมุฮซินีข้อที่สี่ลยียยุกฟร์ลลอฮ์หวนบุญอัลลอฮ์จะลบล้างอันหุมไปจากพวกเขาอะไรครับอัสวะแต่ว่าความชั่วอัลลอฮ์จาม่รูที่พวกเขาปฏิบัติไว้บนโลกดุนยาสบายใจไหมความชั่วที่ทา ม, มาในอดีต อัลลอฮ์ลบล้างหมดเลยอัลลอฮฺอัลลอฮอัลฮามดุลิลละแค่นั้นหันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺพี่น้องอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอหาความรู้จากอัลกุรอานนี่แหละแล้วก็เชื่อนบีมุฮัมมัดนบีทาอะไรบ้างอะ่ะทำํำตามนบีให้หมดเลยอ่มามะนบีไม่ใช่น า, ายอย่างเดียวนะนบีทาอะไรบ้างมีภรรยาหลายคนไม่เคยตบหน้าภรรยา ไม่เคยด่าพระยะทาทำตามนาบีให้หมดนบีมีลูกไหมมีเคยทะเลาะกับลูกไ้ยไม่เคยครับนบีมีสวาวบ้าทเท่าไรเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเคยทะเลาะกัสาบสาวบ้าไหมไม่เคยครับทําตามซะอ้ะาวนบีทําอะไรบ้างเข้าห้องน้ํนานบีเข้าโดยเท้าอะไรเท้าทรายมีดูอ้าไหมทําตามนาบีเวลาจะออกออกมาแล้วอ่านดูอ้าอีก รู้ป่าแค่ไม่อ่านดูอาเข้าห้องน้ําเนี่ยมีโทษอะไรหรือมันโอกาสล้มในห้องน้ําสูงครับยิ่งอายุยาแก่ๆอย่างเราเนี่ยอย่าคิดว่าหนุ่มจะไม่ล้มนะหัวหน้ากอดียานี่นะล้มในห้องน้ํา่ะตายในห้องน้ํานะหัวหน้ากอดียานีเนี่ย มีความรู้ขนาดนั้นนะพี่น้องแต่แอนตี้โซน่าะบีตายในห้องน้ำน่ะนั่นเราเองเหมือนกันวันนี้นะคิดว่าเป็นฉันเป็นแขกแล้วนะอ่านยิอ่า น, นกูอานวันนี้ฉันได้ทั้งสี่ข้อใช่ว่าเป็นมุตตะกูลสองจะได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เป็นมฮัซซินีเป็นคนดีคอที่ีอัลลอ์จะอะไรนะ ลบล้างความผิดของเขาที่ทำมาโอกูสบายแล้วขาดมาเลย <c oughs> ต้องรักษาสุนนะของท่านนาบีจนกว่าจะตายต้องอ่านอัลกรุรอานจนกว่าจะตายต้องทำความดีจนกว่าจะตายทั้งหมดยืนยัดถามว่ายืนยัดอยู่ในศาสนาเนี่พัชบาล กลัวตรงไหนไม่ดกลัวเลยเอ็งดีจะตายไปไงไม่ออกไปเดินขบวนด้วยดีใช่ไหมดี<笑>แต่การเมืองเล็กๆๆพวกจะเข้าใจง่ายๆต่อมาครับวายาจีอาหุมแต่ลองอ่านให้สีข้อนะและอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนให้กับพวกเขาอาจารห์หุมรางวัลของพวกเขา比亚ซันดียิ่งกว่า ที่ลุกขึ้นนอนตอนตะฮะยุทธ์ตอนกลางคืนลุกขึ้นมาสมาเนี่ยมันเหนื่อยไหมเหนื่อยอัลลอฮฺจะตอบแทนรางวัลดีกว่านั้นอีกอาจจะให้บนดุงยาด้วยก็ได้บนดุงยาผมสังเกตนะคนที่ลุกขึ้นนมาตะฮะยุทนี่นะแข็งแรงหมดครับแข็งแรงหมดครับลุกขึ้ น, นมาตะฮะยุทเนี่ยแข็งแรงหมดครับแล้วคนที่ช่วยภรรยาเนี่ยกวาดบ้านบาง รีดนมแพ้บ้างทําน้นทํานี่ในบ้านเนี่ยร่างกายแข็งแรงครับเอาความรู้นี่มาจากไหนเมื่อท่านหญิงฟาติมานี่ลูกสาวนาบีนะกับไซนาลีสามีเนี่ย <c oughs> มหาท่านนาบีวันที่นบีทําสงครามแล้วชนะได้ฉเฉลยศึกมาเยอะนางก็มาหาพ่อนะีเอา เอาสามีมาด้วยมาขอร้องว่าคุณพ่อครับหนูอยากได้คนงานช่วยที่บ้านสักคนหนึ่งได้ไหมก็ยกมือขึ้นในมือหนูเนี่ยกล้านหมดแล้วแข็งหมดแล้วนายจะนวดแต้งทํากับข้าวซักเสื้อผ้าทํานู้นทํานี่ทั้งลูกทงสามีหนูเหนื่อยนบีก็บอกว่าเอาเดี๋ยวพ่อจะให้ของที่ดีกว่านั้นอีก ของี่ดีกว่าที่ท่านนดีนนำเสนออะไรรู้เปล่าก่อนนอนก่อนนอนให้กล่าวสุบฮานลัลลอฮฺสาสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮฺสมสามครั้งอัลฮัมอัลอฮฺบางบ้าอีกสี่ครั้งแล้วก็นำบีืงมาสอนต่อเอกสอนคนอื่นต่ออีกว่าก่อนนอนมีน้ำนำมาบแปลงปันอาบ น, น้ำนำมาตาปัดที่นอนนอ น, น, อนตะแคงกว่าอันอายะกุสี ใช่ไหมนั่นนชีวิตของผู้ศรัทธาตอนหลังแตกต่างกับคนกาเฟ่แตกไล้ไม่แตกแค่เราอาบนำน้มานเดี๋ยวแตกต่างไหมคนกาเฟ่ไม่รู้จักคำว่าฮูดูใช่หรือไม่ใช่ <laughs> แต่อัลฮัมดุลิลละเนี่ยสบายใจเดินตามนาบีอัลฮัมดุลิลละเอาตัลงว่าได้กี่ข้อนะ สี่ข้อนะคนที่เชื่อว่าอลัลลอฮ์มีองค์เดียวเชื่อซุนานะนะมียังางเชื่อกูอานเชื่อว่าตายแล้วฟืน้นฟื้นแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์ให้คืประการ4ประกาศประการที่หนึ่งพูดใหม่นะหนึ่งมุตตะกูลสองยาชาอูนเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้ข้อที่สเป็นรางวัลตอบแทนของค น, คนที่ทําความดีข้อที่สี่อลัลลอฮ์จะลบล้างความผิดของพวกเขาที่ทำไว้บนโลกดุนยา ส่วนวายุจะจยอฮุมอจราฮุม bi أحسن الذي كانوا يعملون และอัลลอฮ์ทรงตอบแทนซึ่งรางวัลของพวกเขาตามการงานที่ดีของพวกเขาที่ได้กระทำไว้นี่เป็นรมอธิบายข้อที่สี่อัลฮามดุลิลละตัวลวามาทำตามนาบีเนี่ยมีรางวัลไหมอัลฮามดุลิลละถ้าเดินตาม คนอื่นมาใช้นาบีในสังวันนหรือเปล่านีเป็นต้นอาผมนึกได้เนี่ยเราก็ดูคลิปดูอะไรอ่ะที่กระทรวงโอมมาในช่วงโควิดนี่ <c oughs> มีอยู่เรื่องหนึ่งนะให้กินน้ำอะไรนะน้ำขิงผมเปิดกุปการาพบ เอาล่ะครับนเงอยู่ในคัีรกุรอานนะครับอกุรอานใน ah ุร์อัลอินซานร์ที่นะครับอธิบายบอกว่าอายะที่17บนะยุสกาวนาฟิฮกัสัาาะบีลาในสวรรค์พวกเขาจะได้รับการดื่ม จากถ้วยที่มีเครื่องดื่มซึ่งเจือด้วยขิงจันะวีบอว่าขิงอาล่าเล่านักปีกุ้อาแล้วน้ำขิงนี่ช่วยได้แต่ไม่ได้บอกว่าช่วยอะไรแต่วันนี้หมอไทยเรานี่แหละหมอแผนโบราณเนี่ยแนะนว่าดื่มน้ำขิงทุกวันอลลอคุอะลลอฮนี่เอาความรู้ จ, กจากุบราณ จะเคยบอกว่ามันจากกหารยะอิออโซราอิอนซาคเคยบอกว่าไม่บอกเราต้องไปหาเองฉะนั้นบอกกับพายาขอน้ำขิงแต่มีคนผสมข่าวมาให้ผมว่ามีคนอายุเก้าสิบกินน้ำขิงตอนเชา้ชาเนี่ยสามอะไรนะส า, สามชิ้นเล็กๆ ก, กับอาหารชาเช้านี่นะ กินทุกวันใส่น้ำหน่อยนะอ น, น้ำขิงใส่แล้วเอามาสักสองชิ้นสามชิ้นอายุเก้าสิบไม้ยุกส40สิบัเอาสุนัขนบีไปใช้เอาเรื่องจับทำปีกุรอานไปใช้จะเป็นไงครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะมุสลิมไม่รู้เพราะเราอ่านกุรอานแบบอ่านให้จบเล่มอย่างเดียวจะไม่ไม่รู้ความหมายพอมาดูเึงความหมายแล้วก็มาประสบการณ์ดุลยาอัลลอฮฺอัใช่เลย และอย่างหนึง่งถือบวชหมอไทยนี่ครับอธิบายว่าฟาสติ้งเนี่ยการถือศีลอดนี่นะช่วยโรคโควิดยังดีที่สุดแหะมีน้ำแข็งมีถือบวบันจานกับพระรหัสทารอบโควิดจะมาหาเราไหมไม่มากูบายบายกู bye bye, มาอยู่บ้านนี้แล้วมันมันถือบวชใช่ไหมละ่ะอยู่ในสุนนะนบีทั้งหมด ถ้ารจะเป็นโรคตายพอโรคโควิดเราก็ตายเสีีวิตเห็นยังครับนี่เปความเมตตาของอัลละทานหัวตลอตมาอายที่สามสิบหกอัลลอฮบิคาฟินอาบดะวยข่าวฟูนักบิลลัย وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِي مِنْ دُونِهِ و َ م َ ن يُضْلِلِ ا ل ل َّ ه فَمَا لَهُ مِنْ ه َ ا د َ ة َ ل َ ي ْ س َ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ م ِ ن دُونِهِ วเมนี่ดลิละฟามาเลว์มินะ alhamdulillah ดีมากครับคือเรือกอายะห์นี้น่ะนบีเนี่ยถูกขู่นบีถูกอะไรนะถูกขู่อยู่เข้าวิฟูนัการเนี่ยแปลว่าถูกขู่ให้กลัว นบี ม, มุฮัมมัดเนี่ยถูกพวกอาหรับมุสริกีนขู่สองเอาจะเวตมาขู่อีกเอาจะเวตมาขู่อย่างกับเราตอน เ, เด็กๆเนะี่ยมึงอย่าเข้าไปนะใกล้ๆเนี่ยอะไรเนี่ยอสารประภูมมาระวังนะสารภะภูมิจะหักคอเลยพวกเนี้ย เราก็กลัวกันสต่แม่อนนี่นะโ ก, กนผลเล็กๆอยู่เนะี่ยเพราะว่าหน้าบ้านผมมีสารพระภูมิด้วยแล้วล้วก็ไปหาสารพรนะภูมินี่แหละคนแขกเนะี่ยพอย้อนคงกลับมาจากมะ ก, กาคงจะมาบอกเฮ้ยอนนี้มันไม่ได้นะไม่ได้เมกืกอนในเวลากลัวหไปไหนเห็นคนสรั่มนุษยนะ์นนเขาเดินตามเขา ต้องการจะหาที่พึ่งนะบางทีลืมอ่านร้อมา่เพราะคนสอนไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอ่าจะเน้นเดี๋ยวร้อเล่าให้น บ, บีฟังใครบ้างที่ขู่ท่านเมื่อขู่แล้วกลัวได้ไมมกลัวอย่าปลัวยึด อ, อ่าะร้ององเดียวพออย่างพอแล้วเอาดูความหมายอาายะไรสัลลอฺบิกาฟินกาฟินแ้ลว่าเพียงพอ อาบดุลบาวของพระองค์มายถึงนบีมุฮัมมัดอะไลสัลลออัลลอฮ์องเดียวเพียงพอไม่อะไลซาแปลว่าไม่อัลลอฮ์องเดียวไม่พอหรืออัลลอฮ์องเดียวไม่พอหรืออ่านี่บอกกับนบีตั้งเป็นคําถามนะ a l ะ a มีทรงเพียงพอสำหรับช่วยเหลือนบีมูฮัมมัดดอกหรื อ, อเวลานบีขูถูกคู่นั่นคูน่นี่อย่าทำอย่งงางนั้นอย่าทำอย่างนี้นี่นะครับงานของ a า l a เนี่ยไม่ต้องไปกลัว a l ะ a ให้จิบรีนมาบอกว่าอะไัลลัลลอฮฺบิคา์ฟินอาบดล Allah มีทรงเพียงพอสำหรับช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ชื่อมูฮัมมัดดอกหรือ อ, อ, อ, อย่างนี้เป็นต้น ต่อมาครับเราเล่านะว่ายุเขาฟุนาคและพวกเขาเนี่ยคูมุฮัมมัดให้กลัวเห็นไหมอยู่เขาวิฟแปลว่าทําให้กลัวคูให้กลัวรู้ปล่านาบีนี่ถูกคูเยอะนะให้เลิกทํานั้นให้เลิกทํานี้เนีแล้วก็ถูว่าฉันจะทําจะฆ่านาบีนะนบีประมาณสิบกว่าครั้ง น, นะ หยุดเผยแผ่ยุสลามนะหยุดถยแผ่เรื่องอ oh ัลลอ์นะนบีมาสอนเรื่องอัลลอ์องเดียวนยวันนั้นน่ะเขากลับจงเวกันเท่าไหร่สมรอยใช่ไหมในกาบ้างเนี่ยแล้วก็นบีมาสอนในเรื่องคเดียวหยุดนำมุมัด น, นะต่ว่าจะฆ่าเธอนะแล้วอัลล์ก็ส่งิบริีมาบอกไม่ต้องกลัว ม, มาสอนได้สวัสดวายุเข้าวัฟูนีน่แหละบรรดาพวกอาลับมุชลิกีนี้ คูนบีมุฮัมมัดแล้วก็คูได้อีกเอะไรมาคูบินละดีมินบินละดีนมินดูนีด้วยเจเวิตนะ<ม>บินละดีมินดูนีด้วยเจเวิตต่างๆอื่นจาก Allah. อัลลอฮ์มาคูถ้าอย่าทำอย่างนี้นเดี๋ยวจเจวิตจะหักคอนะยกตัวอย่างอย่างนี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่ง ไซนาอุมัดเนี่ย <c oughs> เดินไปที่เครือรากมีคม <c oughs> มีจเจวตนในนะ <c oughs> สมัยนั้นนะ น, นะอุจาเชื่ออุจจาเจวตรูปใหญ่ไซนาอุมัดก็เดินไปเข้าไปก็จะไปทำลายนะคนที่เฝ้าบอกว่าระวัวาวางนะมอมัดเอออบูบเอาเอาไซนาอุมัดเี๋ยมันจะทำอันตรายคุณนะ <c oughs> จรวดจะทําอันตรายัยนาวไซนาวอุมาสก็เดี๋ยวรออ่านดูแค่นั้นไม่กลัวนี่เข้าไปไปไปไปไปที่จมูกอ่ะไปทําลายพอทําลายร่วมเรามากกว่านายเห็นมีอะไรนึกจําได้ไหมนบีคนใดบ้างที่เอาขวานไปทําลายรูปจเวดมีไหมนบีอะไรครับอิบรอฮิมอลัยนิสลามใช่หรือไม่ใช่อ้า แล้วก็นบีอัลไรฮีเป็นเปนได้หรือเปล่ามัน <c oughs> คนช้าสมองอ่านอายานนี้โอ้ใช่เออแล้วเราไปไปไปอิบาระดาอ่ากับเจเวิตทำไม <S <S อะไสัลลัลลอฮฺบิคาฟินอาบะดะห์อัลลอฮฺมิทรงเทียงพอาสำหรับช่วยเหลือบ่าวของพระ อ, องค์ชื่อว่ามุฮัมมัดกันกนั้นเลือก วายุเข้าวีฟูนักบิลลาีมินดูนี่และกันั่นพวกเขาพวกอาหรับมุสริกีพวกชาวมกกาเนี่ยยังขู่มุฮัมหมัดให้กลัวโดยนำเอ า, จาเจวตอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมาขู่ให้นบีกลัวและชาวบ้านนบีก็หลายคนก็ถูกขู่มาหมดแล้วแต่เป็นอะไรไหมปลอดภัยหมดเลยแต่มีปัญหาเนี่ยเ ล, เล่าให้นบีฟังเป็นการ ยามเตือนให้พนที่อ่านกูอ่านว่าจเจวทททำอะไรไม่ได้หรอกว่าไม่ยุดธเดลีลผูล้ใดที่ยุดดลีแป ล, ลว่าเราหนมาถึงไม่เอาผลทางอิสลามมาดาเนินชีวิตเนี่ยผู้ใครที่ทิ้ทงหลักการอิสลามแลม้วไปเอาหลักการอื่นมาใช้ เช่นนมานใหเวลาฉันไม่เอาฉันจะอยู่แบบของฉันอย่างนี้เอาหลักการอื่นไม่เอาของอัลลอฮ์ก็อยู่ไปไม่มีปัญหาให้ริสเกไหมให้ริสกกฉันจะอยู่กับผู้หญิงโดยไม่แต่งงานได้ไหมได้แต่ครูอาตรงเล้เตือนนะว่มายุบบริริลใครที่ละหนคือไม่เอาหลักการอิสลามมาดาเนินชีวิต ฟามาเรามินาไม่มีผูดด้ใดชี้ทางนำให้คุณได้ถ้าทิ้งอิสลามอย่างเดียวนะเองหลงทางนะคงว่าหลงทางนะจะรู้สึกตัวตอนไหนรูป้ป่ะอ่าตอนไหนฉันเนี่ยหลงทางเนี่ยอยู่ในทางที่ผิดจะรู้ตัวตอนไหนตอนความตายมาถึงคอยอะทุกคนเป็นแบบนี้หมดแต่อยู่บนดุนยาเนี่ย หลงทางก็จริงแต่ว่าอยู่สบายั้มอร่อยด้วยนะไม่ต้องนมาดนะกินเหล้าก็ได้นอนกับผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่งหรือไม่แต่งก็ไม่มีปัญหาให่ไหมแต่ดุญยาเนี่ยลองให้สบายไหมอเอาไปเลยบ้านยี่สิบหลังบ้านเช่าคุณ่ะรถอีกแปดคันเงินเดือนอเดือนเดืนก็หลมือเอาไปเลยไม่ถ้งบริจัคกูงานเรเคยเรียน คุนาับดุบีไม่เคยสนใจอลัลลอฮ์ให้ไหมยิ่งยิ่งทิ้งอิสลามอลัลลอยิ่งให้รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นแระกา จ, จ่ายไหมไม่รู้จักไปรู้สึกตัวตอนไหนหรู้ไหมความตายมาถึงเขาหอยยกตัวอย่างฟาโรห์แอนตินอับดุลบีมูซามาทำตลอดชีวิตใช่หรือไม่ใช่ตอนจะตายจะจมน้ำตายพูดว่างไง อามันตูฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวพุทําไมช่ชอบพราะใกล้จะตายเนี่ยเห็นหมดน่ะอัลลอฮ์ของที่นบีมูซาสอนเนี่ยมันเรื่องจริงอ่ะอลลอฮ์มีองค์เดียวจริงอ่ะแล้วคอมพิวเตอร์จริงค่ะสมัยนบีมูมัยก็เหมือนกันคนที่แอนตี้นบีมูมัยลืมไม่เชื่ออ่ะตายแล้วฟื้นอ่ะพอจะตายเนี่ยเห็นหมดเลยน่ะอยากจะกลับมา มาเป็นมุสลิมใหม่อีกครั้งหนึ่งขอร้อง Allah. อัลลอมาเลกาข้อเท้าว่าก็เอ็นออกมาจากโลกดุนยาไม่ใช่ออกมากี่สีหชั่วโมงเนี่ยได้ก็ขอกลับไปอีกอ่ะมันตอบวไงรู้ไหมกับไปทาอะไรมาเลกาถามอาอามารุซอลิฮันฉันจะทำงานาศาสนาอย่างเดียวจะทำงานที่ซอลยางานอื่นไม่ทำแล้ว งานที่ทิ้งน้ำมาฉันไม่ทำแล้วงานไม่ใจสกาฉันไม่ทำแล้วงานที่ตบตีเมียฉันไม่ทำแล้วงานที่ด่าพนุนดา่าฉันไม่ทำแล้วฉันจะทำงานเฉพาะงานที่อัลลอฮฺสั่งเท่านั้นเห็นไหมแล้วก็ฉันจะเป็นคนดีพูดทำไมอ่ะอัลลอฮฺเล่าในคัเภียกุปนันให้ฟังให้คนที่แม่งศาสาศนาเนี่ยหลงทางบนดุนยานีจะอร่อยไม้ม ว่าไม่อยู่บรลลิผู้ใดที่อลัลลอฮ์ทำให้เขาหลงทางทําไมอัลลอฮ์พู้ไปแล้พเพราะว่าอัลลอฮ์วางวางกําหนดเอาไว้ใครไม่เอาเอาลัลลอฮ์เรียกว่าคนนั้นหลงทางแต่อยู่บนดวงนทรนี้ได้ไหมโอ้โหสบายเลยเอาไปเลยนี่หลายคนในร้องไห้เพราะมาเลมาูเราแต่หลายคนแฮปปี้กูไม่มาูเราอยู่แล้วแต่หลายคนเสียผมสูบผมเสียใจมาเนี่ย ัล้วมีด็อกเตอร์อีกคนหนโทรศัพท์มาน่าจะเปิดให้น้ำมูกน้ำมาย ก, กันบ้างอย่าเยอ ะ, ะสักสิบห้าคนยี่สิบคนก็พอเพราะว่าต้องไปคุยกับจุ้าแล้วกัน <c oughs> ฟามาลาฮูมินฮาะ สำหรับพวกเขาสำหรับเขานั้นไม่มีผู้นำทางถ้าทิ้งอัลลอ์ไม่มีใครนำทางคุณไปหาอัลลอ์ได้ครับนอกจากนบีมอฮัมมัดเท่านั้นับ่ไปทำโดยแล้วคือพวกอารับมุสลิมเนี่ยด่านบีําหนินบีว่านบีเนี่ยพวกเขาบอกว่าอตาัตสุบุอาลีฮะตนานบีนเคยด่าอีลากพระเจ้าของพวกเราใช่ไหม แล้วก็พวกอากบมุสลิมบอกว่ า, าวท่านนาบีไม่หยุดด่านะจวเจวิตเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นง่อยเ <ś c oughs> พราะถูกคูยอย่างนี้อลัลลอฮ์ให้ยิบรีลงมาหานาบีบอกว่าวไม่ต้องไปกลั ว, จวเจวิตทำร้ายใครไม่ได้นบีไอ้ไซนาอุมัดเดินตราวที่บากาบ้าใช่ั้ยจำได้ไหมแต่พูดอยู่คำหนึ่งหินดำเ อ, อ๋ย ที่ฉันจูบท่านเนี่ยพอฉันเห็นนบีเห็นนบีจูบท่านฉันเลยจูบตามฉันรู้ว่าเห็นเนี่ยไม่ให้ไม่ให้โทษและไม่ให้คุณใดๆเห็นยังครับไซนามัดพูดว่าหนึ่งพันสี่ร้อย 1, ปีละคนจะเอามาพูดกันวันนี้ระเบิดพวกเราวันนี้ที่เราไปเดินแต่ว่าเราไม่ได้กราบหินตามนะเราเห็นนบีเดินเราก็เดินตามนาบีเพราะกุอาตพูดเอาไว้ เราเห็นนบีจูบเราก็ถูกตามนบีเรารู้ว่าหินดานี้ช่วยใครไม่ได้เทปปฏิบัติแต่ปฏิบัติตามท่านนบีเพราะนบีปฏิบัติอย่างนี้เดินตามนบีมูฮัมมัดสุลตานมูสลัมเอาต่อมาอายะที่37เร็ว่าน้าขิงบ้างหงรคโควิดกนน้าขิงนะคุณอานอายะทีไหนครับอายะสุร่าอัลีมซานอสรอิ เจ็ดเจ็สิบหกายาที่สิบเ็ลองไปเช็คดูนะครับว่าไม่ยัฮดิลลาห์ฟะมาเลห์มิมุฎิลัลัยซัลลัฮูบิ عزيز ินินทิคอมว่าไมยัฮดิลลาห์ฟะมาเลห์มิมุฎิล อัลายสัลลัลลอฮฺเบอี๊ะอฺซิซินติคอมคุณต้องดูศับนะเอาศัพท์คำคำสุดท้ายนนเนี่ยอินติคอมเนี่ยแปลว่าแก้แค้นอันลลอฮฺเนี่ยแก้แค้นแก้แค้นแทน แทนผู้ศรัทธาต่อรอเราม่ต้องไปลงมือทำมาร อ, อ, อกแก้แค้นแทนนรืยังสบาใจมหมยกตัวอย่างง่ายๆนบีถูกไลก่จากนาครมักกะใช่เลยไหมใช่วันไปนะ่ะไปกี่คนสองคนท่านอับูบักไปแอบที่ภูเขาใช่ไหมแล้วก็พวกศัตรูเนี่ยมายืนอยู่ที่ปา ก, กวราตูถ้าใช่ไหม แล้วก็ยายมาแลงมุมมาช่วยชาักยายคนทั่วๆไปมันก็ น, นึกมายายมาแรงมุมมาชิใยายแสดงว่าคนไม่เด็เข้าถามว่านาบีก็บเต็นฟังเห็นไหมเห็นเท้าอศัตรูมาเยือนอยู่หน้าธรรมเนี่ยนั่นอันตรายกันหนาๆนี่าอา่อัลลอฮุครูมครองเห็นยังครับอต่อมาครับมาอบประยชไปแล้วนบีกลับมายืนตคอมายึดนครมะกะได้อีกครั้งหนึ่ง